พี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีอพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราจะมาดูถึงอิทธิพลของรูปเขารบและสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในข้อจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็เป็นพระวจนะตอนเดิมครับเหมือนกับเมื่อวานนี้คือในพระธรรมหนึ่งพงกษัตริย์บทที่14แต่ผมจะอ่านตั้งแต่ข้อที่14เป็นต้นไปนะครับในวันนี้องค์พระวิญญาณเจ้าจะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์เอง ผู้ซึ่งจะกวาดล้างราชวงศ์เยรูซม อ, ออกไปตั้งแต่บัดนี้และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงฟาดอิสราเอลจนพวกเขาเป็นเหมือนต้นอ้อที่โอนเอนอยู่ในน้ำพระองค์จะทรงขุดรากถอนโคนอิสราเอลออกจากดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งพระเจ้าโปรดประทานให้แก่บรรพบุรุษของเขาและจะทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปไกลกว่าแม่น้ายูเฟติส พวกเขาได้ยั่วยุองพระผู้เป็นเจ้าให้ทรงพระพิโรธโดยการสร้างเสาเจ้าแม่อาเชราพระองค์จะทรงทอดทิ้งอิสราเอลเพราะบาปซึ่งเยลบอมได้ทำและชักนำอิสราเอลให้ทำตามพี่น้องครับบาปนั้นคือรูปเคารพครับรูปเคารพนั้นมีอิทธิพลสูงและรูปเคารพนั้นเป็นสิ่งที่เบียดบังพระเจ้าชักนาให้อิสราเอลหลงไปกลับว ถามว่ารูปเคารพนั้นมันมีสเสน่ห์หรือมันมีแรงดึงดูดมิธิพนอย่างไรพี่น้องครับเนื่องจากผู้นําก็คือเยเลปอมนั้นต้องการที่เป็นอิสระจากสิทธิธอํานาจของพระเจ้าประชาชนก็ตามผู้นำครับอยากจะเป็นอิสระจากการถูกบังคับด้วยบทบัญญัติกฎเกณฑ์ของโมเสสและระบบการถวายบูชาของปุโรหิตเพราะเนื่องจากพวกเขานนั้นต้องการเปลี่ยนศาสนา สร้างศาสนาใหม่ให้เข้ากับวิถีชีวิตของเขาไม่ใช่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาให้เข้ากับศาสนาไม่ใช่เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาให้เข้ากับบทบัญญัติของพระเจ้าไม่อยากที ages, ่จะมีชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปเขาจึงกราบไหว้รูปเคารพเพราะว่ารูปเคารพนั้นสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการการเปลี่ยนเปลี่ยนวิถีชีวิตน้อยกว่าที่จะเข้าหาพระเจ้าพี่น้องครับ พวกเขาต้องการเปลี่ยนศาสนาให้เข้ากับวิถีชีวิตของพวกเขาในสมัยปัจจุบันนี้มนุษย์ก็เหมือนกันครับพวกเราบางคนต้องการที่จะให้ตัวเองมีอำนาจก็เลยพยายามที่จะสร้างระบบประเบียบทางศาสนาเพื่อที่จะโน้มนำให้เข้ากับวิถีชีวิตและความต้องการความปรารถนาของตัวเองแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิต ให้เข้ากับบทบัญญัติกฎเกณฑ์รักษาเชื่อฟังคําสั่งของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์นั้นที่เป็นคนบาปไม่ต้องการยอมจำนนต่อสิทธิอำนาจที่เหนือกว่าแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีอํานาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อจะสามารถรับอํานาจจากพระองค์ในการช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่เพื่อมีอานาจเหนือคนอื่นพี่น้องครับนี่คือแรงดึงดูดของรูปเคารพ แรงดึงดูดของรูปเคารพอีกอย่างก็คือว่าเมื่อกลับไหวแล้วก็จะทําให้ตัวเองนั้นได้สร้างระบบศาสนาขึ้นใหม่ก็สามารถที่จะทำผิดได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจริยาธรรมมาตรฐานของศาสนาใหม่หรือเป็นศาสนาเทียมเทตนี้ก็ตกต่ํากว่ามาตรฐานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการสร้างศาสนาใหม่โดยการกลับไหวรูปเคารพทําให้เกิดระบบระเบียบที่ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบ ต่อความรู้สึกผิดหรือมโนธรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตในจิตใจมนุษย์ก็จะสามารถปฏิบัติตามความต้องการอันชั่วร้ายและเต็มไปด้วยราคาตัณหาของตัวเองแล้วก็แต่งสร้างสรรเรื่องบรรดาเทพเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพกราบไหวและใช้เทพเจ้าเหล่านี้เป็นข้ออ้างครับที่จะด ำ, ดำเนินชีวิตอย่างเสื่อมทรามเราก็จะเห็นตัวอย่างว่าเทพเจ้าของกรีกนะครับมีนิทานนิยายเกี่ยวกับ เทพเจ้าของกิจตํานานมากมายที่เป็นเรื่องราวของเทพเจ้าแต่ทําความบาปความชั่วยิ่งความนุษเสียอีกมนุษย์ก็เลยสามารถที่จะอ้างได้ว่าเมื่อเทพเจ้ายังทําได้มนุษย์ของเราก็ก็ควรจะทําได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับมนุษย์ยกย่องความสุขและยอมทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบิดเบือนศาสนาแท้ให้เป็นศาสนาเทียมเ ท, ท็จ ให้ตนเองเกิดความพึงพอใจเพื่อที่ตัวเองจะมีความสุขนี่คือการเรียกว่านําตัวเองไปสู่ความหายนะในระยะยาวพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกเราให้แสวงหาความสุขที่จะนําไปสู่บําเหน็จในเบื้องบนระยะยาวครับคือชีวิตนิรันดร์บนสวรรค์ที่จะได้บําเหน็จครับไม่ใช่บําเหน็จในโลกนี้แสวงหาความสุข ทางด้านร่างกายราคาตันหาต่างๆแล้วนำไปสู่ความหายนะในระยะยาวต่อไปทาให้เกิดการสูญพันธุ์เกิดขึ้นครับไม่สามารถสืบทอดความเชื่อเข้าไปต่อไปในพงพันธุ์ของตัวเองพี่น้องครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญของสเสน่ห์แรงดึงดูดของรูปเคารพก็คือว่ามันสามารถตอบสนองต่อความปรารถนาทางร่างกายหรือตัหาของมนุษย์ได้ พี่น้องครับถ้ามนุษย์นั้นไม่ได้ดำรงอยู่ความเป็นมนุษย์มนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ในสเปคของความเป็นมนุษย์มนุษย์ก็จะตกต่ําลงแล้วก็ไม่ไม่ต่างจากสัตว์ครับพี่น้องครับมนุษย์ไม่มีฐานะเป็นบุคคลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกต่อไปไม่มีพระฉายาของพระเจ้าอีกต่อไปจะเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันตามความปรารถนาชั่วของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการเอาเปรียบทางเพศเอาเปรียบทางการเมืองเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นใช้วิธีต่างๆที่แยบยลเพื่อที่จะให้คนเกิดความเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันนั่นคือความปรารถนาชั่วของมนุษย์มนุษย์นัน้นปล่อยให้แรงผลักดันทั้งร่างกายจิตใจและความปรารถนาเขาครอบงําตัวเองแทนที่จะเอาความปรารถนาของพระเจ้าและเสียงเรียกร้องของพระเจ้าให้เราเป็นอย่างที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็น เรากลับอยากจะเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นเองทําให้ความปรารถนาของเราแทนที่จะไปในทิศทางที่จะเสริมสร้างผู้อื่นกับกลายเป็นการเอารัดเอาเปรียบไม่ว่าจะเป็นทางเพศทางการเมืองหรือเศรษฐกิจเราจะเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเสมอนั่นไม่ใช่เป็นความปรารถนาและน้ำพัดไทยของพระเจ้าครับอีกประการหนึ่งของแรงดึงดูดสเสน่ห์ของรูปเคารพอิทธิพลของรูปเคารพนั้นก็คือว่า เขาใช้เทพเจ้าในการสะท้อนลักษณะของมนุษย์และเข้ากับมนุษย์มากในด้านของวัฒนธรรมพระเหล่านี้ไม่เรียกร้องเครื่องบูชาเหมือนกับพระเจ้าอีกต่อไปเป็นหมายความว่าเขากำลังทำลายระบบการช่วยให้รอดขององค์พระเยซูคริสครับเพราะว่าเขากำหนดพิธีกรรมของเขาขึ้นมาเองซึ่งสะท้อนความเป็นมนุษย์ออกมาไม่ใช่สะท้อนพระลักษณะของพระเจ้า ไม่ได้สะท้อนเอาความรักของพระเจ้าแต่เป็นการสะท้อนถึงความปรารถนาที่จะเอาสิ่งเทียมเท็จเข้าไปปลูกฝังในชีวิตของมนุษย์และเมื่อปลูกฝังยิ่งมากเข้ามากเข้าเรื่อยๆนะครับคนก็จะออกจากหลักการแห่งการถวายบูชาหลักการแห่งการกลับใจใหม่หลักการแห่งการยกโทษรับการยกโทษและรับการอภัยโทษบาปสิ่งเหล่านี้ครับทำให้อิสราเอลนั้นได้พร่องบอกพร่องจากทางของพระเจ้าครับ ได้หันเหออกไปกับไว้ลูกเขารบซึ่งนําไปสู่หายนาน้ในที่สุดนั่นคืออิทธิพลและสเสน่ห์ของรูปเขารพจริงๆครับสเสน่ห์ของมันเป็นสเสน่ห์แห่งความชั่วร้ายครับซึ่งจะนําประชากรของพระเจ้านั้นตกต่ําและในที่สุดนั้นพฤติกรรมเช่นนั้นพระกัมพีได้กล่าวว่าได้ยั่วยุองค์พระผู้เป็นเจ้าให้โกรธให้ทรงพระพิโรูโดยการสร้างเสาเจ้าแม่อาเชระ ทำให้พระเจ้านั้นทอดทิ้งอิสราเอลเพราะบาปซึ่งผู้นำและนำประชากรของพระเจ้าให้ถดถอยไปจากทางของพระเจ้านั่นคือลัทธิเทียมเท็จนั่นคือของไม่แท้พี่น้องครับในขณะที่พระว จ, จนะและคำพยากรณ์ของพระเจ้าเดินไปสู่ความสําเร็จโดยความตายของโอรสของเยโรโบอัมคำพยากรณ์เหตุการณ์ระยะยาวก็เริ่มก่อตัวครับ ก็เริ่มฟูมฟักก่อตัวไปสู่ความสำเร็จด้วยพี่น้องครับเราเข้าใจกันนะครับว่าอาณาเขตของโซโลมอนทั้งหมดยกเว้นยูดาและเบนจามินตกอยู่ภายใต้การครอบครองของเยรูบอเมทั้งหมด1ิบเผ่าทั้งเหนือครับแผ่นดินนั้นก็มากมายมหาศาลในที่สุดก็จะสูญเสียไปในสมัยการปกคร อ, องของท่านนี่เองแผ่นดินนั้นก็รวมถึงหัวเมืองดามัสกัสและแผ่นดินโดยรอบซึ่งได้กลายเป็นรัฐอิสระ ของชาวซีเรียไปแล้วพวกฟิลิสเตียก็เริ่มแข็งข้อขึ้นเอาแผ่นดินคืนกลับไปด้านตะวันออกก็ดูเหมือนว่าจะต้องเสียแผ่นดินโมอับไปในที่สุดนั้นไม่เหลืออะไรเลยครับพี่น้องครับไม่เพียงแต่เยเรวัมต้องสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของตัวเองต้องศู์พัน์ตัวเองกับแต่ก็นำประชาชนอิสราเอลอีกเผ่าก็ศู์พันไปด้วยและในที่สุดพวกเขา ก็กลายเป็นชาวสมาเรียครับนั่นคือสิ่งที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ปล่อยให้อิทธิพลสเสนย่ยยั่วยวนดึงดูดของบรรดาเทพเจ้าต่างๆรูปเคารพต่างๆเข้ามามีอิทธิพลในเชื้อสายของเราเลยครับนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายจริงๆครับอาเมน